วันนี้สมาชิกเ<ๆ>ก่าเก่าเกือบทั้งหมดมีใครไม่เคยมาไหมวันนี้ใช่ไหมมาจากไหนกันว่มากไกลทําทำไมทางน้นไม่มีพระแล้วทั้งหมดถึงนี่ <c oughs> ไอ้ที่หัวหินไม่ได้ที่หัวหินมีมาจากนครได้ใกล้หน่อยองค์งพ่อมนตรี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 อ่อนเรียคุณโชดหลวงพ่อมันตรีนี่ก็เป็นรุ่นรุ่นหลังอาวุโสในรุ่นหลังหลวงพ่อเนี่ยทแทบจะรุ่นสุดท้าย <c oughs> ไปเรียนจากท่านก่อนท่านมรณภาพปีวกว่าๆ <c oughs> ไปเรียนจากท่านหกครั้งเองสามสี่เดือนไปทีหนึ่ง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 จิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อผ่อนผนไหวยินดียิน้ายขึ้นมานะเป็นสมูทไทยก็มีผลเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยูนะ่ไม่ก็เพื่อผ่อนผันไหวไ น, นี่เป็นทางปฏิบัติามากท่านก็บอกพระริยาเจ้าทั้งหลายคำว่าพระริยาเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันตนะ์ก็ยังมีจิต ท, ที่ออกนอกเลยสบองธรรมดา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 มันไม่ยึดถือจมูกมันก็ไม่ยึดถือกลิ่นไม่ยึดถือลิ้นมันก็ไม่ยึดถือรสไม่ยึดถือกายเนี่ยไม่ยึดถือปทิภาะเ e ื่อนใจมันจะเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสปทธภาษธรรมารมตรงที่ใจเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสปทิภาษธรรมารมนี่เป็นปู่ิของพระนาคามีไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปทิะาษแต่ธรรมารมณ์ยังยินดีนะพ่อพูดเกินไปนี้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 ยังไม่ยังเห็นไหตอนที่เราไปคิดนะเรามีกายก็เหมือนไม่มีนะมีใจก็เหมือนไม่มีงนเราคอยรู้สึกไปอย่าหลงไปในโลกของความคิดนานนักน่าเกลียดคอยรู้สึกไปรู้สึกไปใจไหลไปแล้วรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกเราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจได้รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆรู้ซื่อๆรู้ง่ายๆนะพวกเราชอบตั้งกระบวนท่ามากเกินไป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 หัดรู้ไปเรื่อยจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยรู้เล่นๆน่ะแล้วสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะอีริโอตัปปะอินสีนสังวรศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์วิมุตต์ญาณทัศนะจะเกิดตามมาเป็นแถวเลยขาดสติตัวเดียวไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะขาดสติจิตเป็นอ ก, กุศลทันทีเลยนี่ถ้ามีสติแล้วไปเพ่งเพ่ ง, ง, งอยู่ที่ท้องที่เท้าที่ลมอะไรนี้ได้แค่สมถะ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 ใจไหลไปคิดแล้รู้สึกขึ้นอย่าปล่อยใจให้ไหลตามกิเลสไปนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยตอนแรกๆมันก็เหมือนน้ำในลำพวย้ยอ่อนๆน่าเล่นนะน่าลุยเล่นเผ <c oughs> ลอแป๊บเดียวนะเดินตามลำพวยนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว็ถึงแม่น้ำใหญ่คร <c oughs> าวนี้กระแสกิเลสที่เชี่ยวกลากไลยเอาไม่อยู่ละจะถูกมันพัดพาไปพัดพาไปตกน้าตกตายลงหิวน้าตกไป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 นั่งดูท้องพองยุบหรือนั่งหายใจไปแล้วใจลอยแวบบไปแลนี่ไปคิดแลรู้ทันว่าหนีไปคิดหัดรู้จักในส่วนใจหนีไปคิดแวบก็จะรู้ทันเนี่ยคุณผู้หญิงเสื้อขาวแขนสั้นนั่นน่ะใจหนีไปคิดรู้จักไหมใจมันหนีไปคิดไหลแแบบไปใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆพุโทโธพุทโธก็ได้นะพุโทโธก็ดี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 ทั้งชาติก็เลยได้แค่สงบแล้วฟุง้งซ่านไปไหนไม่รอดแต่ถ้ามาหัดดูจิต ด, ดูใจอย่างที่ผงพ่อสอนนี่นะทำได้นะขับรถอยู่ก็ทำได้กินข้าวอยู่ก็ทำได้อาบน้ำอยู่ก็ทำได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำได้เน้นะเวลาทำงานไปก็จดจอ่องานทำงานแล้วเครียดเนี่ยสติเกิดระลึกขึ้นได้แล้วเครียดละภาวนาได้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 เราก็เห็นกายนี้ทุกล้วนล้วนเมื่อไหร่นะวางกายได้ก็จะได้ท่านาคาวันนั้นแหละก็เห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนล้วนเมื่อไหร่นะจะเป็นท่าลรหัน์ในไม่กี่ขณะจิตข้างหน้านั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราหยุดพักก่อนเชิญไปทานข้าวเลยไปพก็เดี๋ยวนี้ชักขี้เกียจยัถาสักทีแล้ว